Thank mm -hmm. you. ฟังธรรมคือฟังเรื่องของตัวเองเรื่องของเรามันมีอย่างไรมีอยู่ในธรรมคำสอนของพรุทธเจา้าบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมีสามปิฎกเรียว่าตา ก, กาใส่เอาไว้สูตรพระปีนาพระอภิธรรมเป็นเรื่องของชีวิตเราก่อนศึกษาชีวิตเราเนี่ยท่านเรียกว่าไตรศิขาไตรศิขานี่ มันไม่เหมือนการศึกษาของทางโลกทางโลกก็มีศาสตร์มีสูตรสำเร็จจะต้องเรียนตามสูตรสำเร็จอ่าใครเรียนจบก็จำเอาจาได้เก่งไปทำา่ามีผู้ตรวจมีการผิดการถูกมีบุคคลอื่นเข้าไปเจ้าข้องผิดถูกบางทีอาจจะไม่เป็นธรรมคนทำดี ก็าจะเป็นความผิดคนทาชั่วอาจจะเป็นความถูกเพราะเกี่ยวข้องกับคนอื่นสิ่งอื่นเหตุผลอันตรายต่างๆแล้วก็จึงเกิดการขอรับชันทะเลาะวิวาทอะไรไปได้ไม่จบไปสิ้นแปลว่าการศึกษาไตรสิกขาเนี่ยมาศึกษาเรื่องชีวิตของเรามาดูอะ มาค้นมาพบมอาเห็นเป็นการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นแต่พบเห็นแล้วไม่ลืมเห็นทุกข์ก็ไม่ต้องไปถามใครพบเห็นแล้วนี่คือความทุกข์เห็นความไม่ทุกข์ก็เห็นแล้วนี่คือความไม่ทุกข์เห็นความโกรธเห็นแล้วเห็นความไม่โกรธก็เห็นแล้วทําเป็นแล้วทําได้แล้วเห็น จนเป็นศีลเป็นสมาธิจิตใจสิกขาคือศีลพึงได้แล้วพึงกายพึงใจได้แล้วกายมีศีลจิตใจมีศีลเป็นอนิสงส์ของการมีศีลสีเลนะสุขติงังยนติโอมีศีลเนี่ก็มีความสุขจริงๆนาะบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่สดดุ้งไม่บาดหวาไม่งอนแน่นกดแขรนโอ้ศีลเปจากนี้เนาะมันโกงเราเนาะเหมือน โอ้เขาศีลทังทึบไม่สะเทือนเพอราะลมโอ้มีศีลไม่สะเทือนเพรา ะ, รนะ เ, น, เาะน้นทาสลาเสริญโอ้ในศีลเยงนในนอนี่นเลยศีลหาได้ในตัวชีวิตเราบางทีถ้าไม่มีศีลก็วันไว้นะงินไว้งอแ น, น่นอดแทนเหมือนเสาหลักปลักขี้โคร น, นเป็นสมาธิมั่นคงในกิตใจ ปัญญารอบรู้ในกองสังขารในกองรูปกองนามในกองคิวิตจิตใจของเราปัญญาที่รอบรู้รู้หมดรู้หมดจริงจริงลู้ครบรู้ทุวนในกายในใจเป็นรูปเป็นนามอย่างไรอาการอย่างไรที่เกิดอยู่บนกองรูปกองนามเห็นแจ้งรู้จริงในที่สุดจบเป็นมันกัน เป็นพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของชีวิตจิตใจของเราพอไม่จบสูตรนี่อันอื่นก็ถือว่าไปจบคนที่เรียนจบทงงูงๆยังมีทุกข์ยังมีปัญหาในกายในใจของตนเป็นทุกข์พอใจของตนเป็นทุกข์ผัวกายของตนเป็นทุกข์ผัวกายของตนเรายังไม่พอยังเป็นทุกข์คนอื่นีิเป็นทุกข์ที่ใจของต น, น, งต น, น, งตนแล้วยังไม่พ อ, อ ยังไปกระทบกระเทือนกับคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นก็เป็นปัญหาไปเรื่อยๆจนเป็นระเบียบเป็นตัวบทกฎหมายเป็นอะไรสรพัดอย่างเป็นกอกทัพเป็นประเทศชาติเป็นรัฐธรรมนูญเป็นตำรวจทหารสร้างคุกสร้างตารางลงไปเยอะแยะไปหมดเลยพะปัญหาเกิดที่กายที่ใจของคนคนหนึ่งอย่างคนคนเดียว เปิดมีความเห็นผิดมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นพวกเราก็เดือดร้อนจึงมีตำรวจมาจับมีคุกมีตารางจับไปคนทุสีนผิดสีนเราอยู่กัหมูไม่ได้เพราะเบียดเบียนคนอื่นจึงจับไปเก็บคุมกลมขังแต่สีนนี่มันจึงโอ้ดีไม่มีปัญหาเขาจึงมาศึกษากัน ให้มันค้นพบของจริงในชีวิตจิตใจของเราจงมาลู่จักตัวเองคำนิหมายว่าค้นพบเจ้าได้ในตัวท่านหานอกตัวทำไมให้ป่วยการดอกบัวบาดอยู่ในเราอย่าเขาไปในดอกบัวมีมะีที่เอกุตเพื่อมนุษย์คนหามาให้ได้การตรัสรู้หรือลู่สิ่งใดๆร่วนมาจากความลู่ตัวสูยเอง อาจารย์พุทธทาสประพันธ์เอาไว้เรื่องชีวิตของเราเราจึงมาดูมามีสติเป็นนักศึกษาเอากายเอาใจเป็นตำราดูสร้างภาวะที่รู้ที่ลู่แตมันเป็นคู่กับกายเป็นคู่กับใจอย่านี้ไปดูอื่นๆตาในมันมองกับตาเนื้อมันมองไปข้างหน้าตาข้างหลังมันไม่เห็นตาเนือน้อ มองไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวก็จะมองไปข้างหลังต้องหันหลังกลับแต่ตาในคือสติสัมปชัญญะรูโลกมาทางไหนรูมันเป็นดวงตาตาทิพย์สร้างขึ้นมาสร้างภาวะที่รู้ี่ขึ้นมาอย่าไปคิดไปนึกเอาเหตุเอาผลการสร้างตัวรูไม่เอาเหตุเอาผลเอาสมองไม่ใช่หัวคิดปัญญาดีขนาดไหนก็ไม่ใช่ มันต้องเป็นกรรมต้องเป็นการกระทำนะไม่ใช่สมองคนนั่นสมองดีปัญญาดีจำเจงไม่ใช่แล้วไม่ใช่เลยต้องเป็นการกระทาไม่กรรมคือการกระทาอิยาที่กระทำก็ต้องมีเห็นเจริญสติต้องมีนิมิตที่เกาะเกาะไวต้ตรงไหนเกาะไว้ที่ลมหายใจเข้าออกรู้สึกลมหายใจเข้าหายใจออก ก็ไหวที่กายเคลื่อนไหวไปมาเก็ะไหวที่กับการเดินจงกลมเอาของกิงมาศึกษาสิ่งที่เรามาดูมันก็มีอยู่จริงๆริงในกายในมืมอมันก็มีจริงๆเคลื่อนไหวไปมาให้รู้อยู่ให้ดูอยู่เห็นอย่างเดียวบางทีดูกายอย่างเดียวมันก็ไปเห็นกิจเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันโผล่ออกมาแซงหน้าแซงหลัง ดูกายอย่างเดียวอา้าวความปวดความมื่อยความขี้เกียจชี้ชคลานอะไรง่วงเหงาหนอดนแต่ละพัฒอย่า ง, างทีมันก็คิดไปต่างๆนาะนาะอาจจะดูกายจะเดียว อ, อมามันหลุดไปแล้วคิดไปถึงไหนถึงไหนอา้าวก็กลับขึ้นมากลับมาตั้งไหวกลับมาตั้งไหวการสอนตัวเองเวลาใดที่มันคิดไปสิ่งอื่นที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ให้รู้จักกลับมา กลับมาบมาตั้งไว้ตรงนี้กลับมาตั้งไว้ตรงนี้ดูกายอย่างเดียวหรืสอนตัวเราหลายอย่างอ่าสอนกายสอนจิตนะเห็นเห็นแล้วเห็นอีกผิดแล้วผิดอีกเสียงไหนมันผิดก็รู้สึกตัวเสียงไหนมันถุก ก, ก, ก็กรู้สึกตัวเสียงไหนมันทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สึกตัวมันหลงก็รู้สึกตัวมันง่งเหงาเหานอนก็รู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวแหวกเข้าไป แหวกเข้าไปสอดลู่สอดเห็นเข้าไปมันก็เห็นจริงเหเห็นความหลงในทุกไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเห็นความทุกข์ก็ไม่ใช่เรื่องเล응็กน้อยมันก็เป็นปัญญาอยู่ตรงนั้นแหละปัญญามันเกิดได้อย่างนี้มันหลอกเราความคิดมันก็หลอกเราความสุขความทุกข์มันหลอกเราเราถูกหลอกไะมากความสุขหลอกให้เราเป็นสุขความทุกข์หลอกให้เราเป็นทุกข์ ความหลงก็หลอกให้เราไปหลงความโกรธก็หลอกให้เราทาตามความโกรธความรักก็หลอกให้เราทาตามความรักโอ้มันไม่จริงอะไรพอมาเห็นล้วอืมรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ถูกหลอกมันหลอกแล้วหลอกอีกคนที่ถูกหลอกก็ต้องมีปัญญาก็ต้องมีปัญญาแน่นอนมันไม่ต้องไปทำไคลการศึกษาชีวิตของเราไม่มีคำถามมีแต่การพบเห็นพบเห็น เห็นแล้วมันฉลาดเห็นความหลงก็ฉลาดเห็นความทุกข์ก็ฉลาดฉลาดอยู่บนความโง่ไม่ใช่ฉลาดอยู่บนสมองสมองหัวคิดปัญญาเหตุผลไม่ใช่แบบนั้นฉลาดในทางกุศลทางพุทธศาสนาฉลาดในสิ่งที่มันโง่หลงงมงายสิ่งที่มันเกิดปัญหาเกิดทุกข์เกิ ด, กกดอะไรต่างๆในกายในจิตของเราเนี่ยมันก็มีมันก็เกิดขึ้นให้เราเห็นอยู่นั่นแหละ เรารู้สึกตัวมันก็มีอยู่จริงๆความรู้สึกตัวกายมันก็มีจริงๆที่มันเคลื่อนมันไหวมันก็รู้มันก็มีอยู่จริงๆทำไมเราจึงสร้างมันน่ะเพราะว่ามันไม่มีหลักชีวิตเราแต่ก่อนมันไหลชีวิตมันไหลการไหลเขาเรียกว่าอะไรการไหลเขาเรียกว่าทันทาเลภาษาบามันไหลอยู่เลยมันเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าสัตติ สันตติมันเกิดต่อเกิดต่อบนไหลไปมันไม่มีปัจจุบันมันไปข้างหน้ามันคืนข้างหลังโดยพอชีวิตจิตใจของเรานะคิดไปข้างหน้าบางมันคิดคืนข้างหลังบางมันเหตตามันก่อจมูไปหูก่อเรื่งไปจมูกก่อเรงไปเล่นก่อเรงไปจิตใจมันก่อเรงไปมันไม่มีหลักนี่จึงมาเกาะให้มันมีหลักให้มันปัจจุบัน ปัจจุบันนี่คือการเคลื่อนไหวไปมารู้สึกตัวเมื่อมันไปทางอื่นก็กลับมาทำไมามาตั้งไว้มันไปเท่าไรก็กลับมาการกลับมาบ่อยๆการกลับมาบ่อยๆมันเป็นการศึกษาในะตรงนีน้เป็นการศึกษาการศึกษาเนี่ยไตยสีขาคือถลุตรงนี้ไใช่ไปคิดมันคิดไปมันหลงไปมันทุกข์มันโศกที่ไม่ใช่ความรู้เราสร้างความรู้สึกตัวเนี่ย สิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกกรวไปทางอื่นก็กลับมามารู้สึกตัวมารู้สึกตัวอยู่กับกายมารู้สึกตัวอยู่กับกายเนี่ยเรียกว่าศึกษาใจสิกษาศึกษาคือถลุแล้วหมดไปแล้วความคิดที่มันคิดไปหมดไปแล้วมามีความรู้สึกตัวแล้วเอามันสุขเอารู้สึกตัวแล้วความสุขหมดไปแล้วความทุกข์หมดไปแล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัว รู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆความรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นตัวเฉลยเอาไปอมาเป็นตัวเฉลยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีความรู้สึกตัวอย่างเดียวเฉลยได้ทั้งหมดรู้แล้วความหลงก็รู้แล้วมันคือความหลงความไม่หลงก็ไม่อยู่รู้แล้วทาความหลงได้แล้วเกิดความรู้แล้ว มันหลงไปทางไหนความรู้สึกตัวอย่างเดียวเอามาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดหรืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเอามาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดนะการศึกษาอย่าให้มันเป็นอื่นไปแต่มันสุขก็เป็นสุขไปไม่ใช่แล้วมันทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปไม่ใช่แล้วมันหลงก็หลงไปมันรักก็รักไปมันรอนมันหนาวมันหิวมันปวดมันเมื่อยมันอย่าให้มันไปทางนั้นกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวแล้ว บางทีมันไม่ต้องไปแก้ ourd. มันแก้อยู่ในตัวมันเฉลยอยู่ในตัวมันเฉลยอยู่ในตัวบางทีไม่ต้องไปแก้เป็นความโกรธไปแก้ความโกรธไปทําอะไรแก้ความโกรธ ไ, ไ, ไปด่าเขาหรือไปฆ่าเขาหรือไปว่าเขาหรือไปโกรธเขาหรือมันไม่ใช่เขาโกรธมาก็โกรธตอบไม่ใช่มันโกรธก็รู้สึกตัวน่นนะ รู้สึกตัวซะเกิดมารู้สึกตัววิธีใดที่จะรู้สึกตัวมีรูปแบบอย่างไงหายใจเข้าหายใจออกพอทีว่วันโกรธหายใจเข้าหายใจออกสักสิบรอบรู้สึกตัวรู้สึกตัวสักสิบรอบแม้มันไม่หมดมันก็น้อยลงอ่อนลงแค่ความโกรธสักร้อยเปอร์เซ็นถ้าหายใจเข้าหายใจออกสักสิบรอบความโกรธก็ลดจากน้อยถึงครึ่งหนึ่งหรือหมดไปเลย ไม่ต้องได้ด่ากันเลยหรือเรายกมือสร้างจะงหเคลื่อนไหวไปมากับเด็กนิ้วเล่นเล่นอยูอ่รู้สึกตัวรู้สึกตัวกันเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันความโกรธมาทําวมรู้สึกตัวซะความโกรธก็หมดไ่อยอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเอาความรู้สึกตัวตั้งไว้ตั้งไว้เนะี่เป็นบังเกอร์หรือเป็นการหลบเป็นกัดดองเป็นตีพึ่งเป็นหลักเหมือนพระพุทธเจ้าสอนเหล่าพระสาวกทั้งหลาย พิสูจทั้างหลายพวกเธอเห็นเต่าไหมมันหาจกินอยู่ตามริมแม่น้าคงคาพระพุทธเจ้าอาจจะพาพระสงฆ์ไปบินธบาตรสุนักป่าหมาป่ามาเห็นเตา่าคิดว่าจะกินเตา่าแต่ว่าเตา่ามันก็หดอวัยะวะมันเข้ากระดองหมาป่าก็กินมันไม่ได้ฉันใดก็ดีพิสูจทั้งหลายเธอจงมีกระดองเป็นที่อยู่กระดองคืออะไรคือกรรมฐานในสติ ธรรมชญญาญอะไรเกิดขึ้นก็บรู้สึกตัวการรู้สึกตัวเรียกว่าหมดอวัยวะเข้าในกระ ด, ดองแล้วรู้สึกตัวเรียกว่ามีกระ ด, ดองมีที่อาศัยแล้วความหลงก็ทําให้เกิดอะไรไม่ได้ความทุกข์ความโกรธความรักความชังไม่ได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือคือของจริงเป็นสมบัติของกายความรู้สึกตัวคือของจริงเป็นสมบัติของจิต อย่าให้ขาดแคลนอย่าจนเรื่องนี้แต่เราไม่ศึกษามันจะจนนะอะไรเกิดขึ้น ก, กับคนแล้วความโกรธก็จนความรู้สึกตัวความทุกข์ก็จนความรู้สึกตัวความรักความชังก็จนความรู้สึกตัวเพราะเขาจนความรู้สึกตัวเ ข, ข, จว า, วขาจึงทุกข์เขาจึงรักจึงชังเขาจึงโกรธจึงโลภจึงหลงจึงวิตกกังวลเศ้ามองถ้าเขาไม่ความรู้สึกตัวเขาไม่ไปอย่างนั้นหมือกับพัดถิน่นพัดบ้านไปแล้ว คนหลงคือคนพัดบ้านคนโกรธคือคนพัดบ้านคนทุกข์คือคนพัดบ้านคนมีสติคนมีบ้านมีหลักมีแหลง่งมีวิหารและธรรมเป็นที่อยู่ขุนอกขุนใจไม่งอนแง่นคอนแคนเมื่อเราฝึกตั้งนี้หัดอย่างนี้เราก็พึ่งเราได้คนอื่นก็พึ่งเราได้แต่เราไม่หัดตรงนี้ก็อา้าเพื่อนรวมงานก็ทะเลาะกันได้ต่างคนต่างไม่มีหลัก ลอยอยู่พอลอยก็ไม่มีหลักมันไม่มีทางเดินของชีวิตทางเดินไม่เป็นระเบียบตัวชนกันตังคิดชนกันตาก็ชนกันคำพูดก็ชนกันอะไรมันต้องมีทางในนักบินที่บินเครื่องขับเครื่องบินเขาก็มีทางของเขาบางคนก็บินสูงบางคนก็บินต่าบางคนก็ไปทางหนึ่งบางคนก็ไปทางนึ่งเขามีทางแม้เป็นอากาศเขาก็ต้องมีทาง ถ้าไม่มีทางก็ชนกันนะ้ธรรมเทศนาของพระเจ้านะจึงพูดเรื่องทางทําทางให้กับชีวิตของเราชีวิตของเรามันมีทางเดินถ้าวิตกกองวลเศร้มองได้ว่าไม่มีทางเดินไม่เรียบผุขับทุลักทุเลเอาลกเข้าพงโกรธโลภหลงวิตกกองวลเศร้มองงหรือว่าชีวิตไม่มีทางชีวิตที่มีทางมันไม่เป็นไร แม้มันเห็นมันก็เรียบทําให้เรียบได้มันหลงก็รู้สึกตัวทําให้ชีวิตเรียบแล้วมันทุกข์ขอรู้สึกตัวเรียบแล้วมันโกรธขอรู้สึกตัวเลยว่าเรียบแล้ววิตกกังวลเศร้าหมองรู้สึกตัวเรียบแล้วเรียบแล้วทําให้เรียบแล้วไม่สะดุ้งไม่กระทบไม่กระเทือนชีวิตเดินอยู่ในทางเรียบเรียบเหมือนกับมิตรภาพมิตรภาพราบเรียบของการใช้ชีวิตไม่กระทบกระเทือนไม่ วิตกองวนอะไรต่างๆถ้าลราหัดนะเดิอนอยู่บนเส้นทางของชีวิตเราเรียกว่ามักมัก ค, คือคือทางทำให้เรียบเรียบทำให้เรียบเรียบหลวงพ่อไปเทศบวกลมคณะแพทย์ทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์ปีสองปีสาปีสี่ไปพูดอยู่สามวันกับอาจารย์ทรงศิลหลวงพ่อวบวบ ชีวิตเราต้องปูพรมปูพรมให้กับชีวิตอย่าให้ขรุขระคือเจริญสตินี่แหละวางรู้สึกตัวมันปูพรมให้ชีวิตที่เดินไปถ้ามีความรู้สึกตัวก็ไม่เมตตากรุณามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเรือกว่าปูพรมไม่กระทบกัดเตือนไม่มีขอบเขตแต่ยังเลือกที่ลักบักทีชงังทะเลาะคนนั่นเป็นเพื่อนเราคนได้ไหม่เป็นเพื่อนเรา เรีว่าไม่มีไม่ปูพรมไม่เรียบพระพุทธเจ้าหรือว่ า, าศาสนาของพระสมาสัมพุทธเจ้านะต่อจากนี้ไปเป็นาศาสนาพระสีอาลีเมตไตาศาสนาพระสีอาลีเมตไตอันก็กล่าวว่าแผ่นดินราบมะนากรองใจหน้ากร อ, องมันเรียบมันไม่เป็นแผ่นดินมันหมายถึงกิจใจของเราที่เราอาศัย ศาสนาของสมณะโคดมมาฝึกขัดมาปฏิบัติวิชากรรมฐานทุกคนมีศีลมีธรรมก็เรียบอย่างพวกเรามาสร้างเนี่ยทำให้เรียบเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ถ้าทุกคนนั่งอยู่นี่ยี่สิบสามสิบคนน่ะมีสติกันทุกคนทุกคนมีสติมันก็เรียบแล้วต่างคนต่างดูแลตัวเราอยู่ยินอะไรก็รู้อยู่นี่แหละแก้อยู่นี่แหละรู้อยู่นี่แหละมันคิดขึ้นมาก็รู้อยู่นี่แหละก็อันเดียวกันเรียบแล้ว เราทุกคนมีแต่ความหลงก็ไม่เรียบแล้วไม่เป็นหนึ่งแล้วไม่เรียบขูกขะแล้วบางคนก็ชิดแล้วคนนั่นบางคนอาชิดโกดคนนั่นพอใจกับเสียงนั่นไม่พอใจกับเสียงนั่นแม่แต่เสียงหลงตาพูดก็อาจจะไม่ชอบเสียงสดมนก็ไม่ชอบทําวัดนั่งก็ไม่ชอบทําไมจึงนั่งอย่างนี้ทําไมจึงยกมืออย่างนี้ทําไมจึงอย่างโน้นอย่างนี้นสารพัดอย่างมันหาสิ่งต่างๆมาอ้างมาหาเหตุหาผลมันก็ไม่เป็นหนึ่ง ไม่เป็นหนอะไรก็ตามสิ่งที่ทําให้เป็นหนึ่งมันไม่อยู่ธรรมวินัยคือข้อวัดปฏิบัติเหมือนพระพุทธเจ้าว่าตัดไว้ในธรรมวินัยมันสีได้ร้อยดอกไม้ดอกไม้เนี่ยจะเป็นต่างสีต่างรูปลักษณะแปลกต่างกันไปแต่ว่าเมื่อเข้ามาอยู่ในเส้นได้ที่ร้อยลงไปแล้วมันก็เรียบไปหมด หน้าดูสวยงามมีค่าขึ้นมาผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่เจริญสติแล้วนะก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดขณะที่พูดขณะที่ทำขณะที่คิดเขารู้สึกตัวเหมือนเส้นได้ที่ล่อยีชีวิตเราไว้ทุกคนทาอย่างนี้ทุกคนทำอย่างนี้มันก็เป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันต่างคนต่างเล่าความชั่วต่างคนต่างทาความดีต่างคนต่างทำจิ ต, ตให้บริสุทธ เป็นอย่างนั้นการเจริญสติเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยเราไปด่าใครไหมเราไปผ่าสัตว์ตัดชีวิตไหมเราไปคิดอะไรไหมแม่คิดก็ยังไม่มาเมื่อก็อรู้จักจกลับมาช่วยตัวเองการสร้างสติรู้สึกตัวอยู่เนี่ยก็เป็นการรับความช่วยแล้วมีสติรู้สึกตัวอยู่นี่มันก็ทําความดีแล้วมีสติรู้สึกตัวอยู่นี่มันก็ทําให้จิตเราบริสุทธิ์แล้วอย่างเนี้ยเนี่ยมันไม่ยากนะ มันง่ายๆแต่เรามองข้ามทุกคนไปเอาอันอื่นไปเอาเหตุเอาผลไปเอารูปแบบไปเอาคำพูดไปเอาอะไรต่างตาสารพัดอย่างมาตัดสินมาเป็นเครื่องตัดสินไม่เอาสินเราทําไม่เอาความรู้สึกตัวเช่นเขาโกรธเขาโกรธให้เราเราก็มองเห็นคนที่เขาโกรธเขาหลงแล้วถ้าเขาไม่หลงเขาไม่โกรธ นะคนที่หลงเนี่ยเป็นคนที่น่าให้อภัยกลายเป็นความเมตตาสงสารตั้งแต่เขาหลงเน่ะเขาก็โกรธเขาก็ทุกข์อยู่แล้วเราก็ไม่กล้าใจไปโกรธตอบเขาเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเนเป็นคนที่น่าให้อภัยคนที่หลงเน่ยเป็นคนที่น่าให้อภัยเป็นคนที่ควรช่วยเหลือถ้าคนมีสติมองคนละมุมกันไป ถ้าคนไม่มีสติเขาก็มองเขาโกรธเขาโกรธตอบเขาด่าก็ดา่ดาตอบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยคนที่โกรธมันเป็นคนที่หลงแล้วเป็นคนที่ทุกข์แล้วน่าสงสารหน้าตาก็ไม่ดีก็รู้จักหลบรู้หลบเป็นปีกปรู้หลีกกปนหานหาวิธีช่วยไปเอาเหตุเอาผลกับคนโกรธทะเลอะกันพูดคำสองคาคนหนึ่งได้สองคำสามคำคนโกรธ คนที่โปรดที่ลงเนี่ยเอาเหตุเอาผลไปให้มันไม่เอาหรอกเหมือนเขาอยู่ในภูมิมนหนึ่งอยู่ในภูมิที่ต่ำเช่นพวกเปรตพวกสัตว์นรกนะจะเอาอาหารดีๆไปให้เขาเขาเขาเอาไม่ได้เขาเสวยกรรมของเขาจึงโปรดไปได้ต้องให้เขาขึ้นมาเสียก่อน เราไปพูดกับคนโกรธทะเลาะกันเน่แสดงว่ามันไ ม, ม่เรื่องคนลบภูมิกันต่อเมื่อใดที่เขาพ้นจากกรรมแล้วเขาก็รู้เราก็ค่อยขี้แจงเหตุผลอะไรต่างๆได้เลยไม่ต้องทะเลาะกันก็หลบเป็นหลีกเป็ดเราหลีกเราหลบไม่โต้ไม่ตอบก็ เ, เป็นการแช่ปัญหาไปนในตัวพอเขาโกรธเราข้างเถึงเราไม่ว่าอะไรเขา เขาก็ยังดีเขาเขาเขาโกรธแล้วโกรดีเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาดีไปเอาไปมาเขาก็กลายเป็นคนดีอย่างสามีภรรยาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาพอภรรยามาปฏิบัติธรรมมาจากอำเภอแวงใหญ่คำว่ า, าพูดให้หลวงพอ่อฟังโ อ, งอ้ได้ผลหลวงพ่อได้ผลโอ้ภรรยามาผู้เมียมาปฏิบัติธรรมใจดีก็ไปบ้านใจเย็นก็ไปบ้านเอาไปมานะี่ะ อามีเขาเห็นพัญญาต่างเอาโกรธที่ไรเขาไม่โกรธตอบเขาไม่โกรธตอบว่าอะไรเขาไม่โกรธตอบนิ่งเยีมดมมมมีสม่ำ<ม>เสมออามีเป็นคนสุบุตรีเป็นคนเชี่ยวเลูกแม้กระทั่งบุตรีเลิกกินเหล้ากลายเป็นคนดีด้วยกันมาพร้อมกันพรนยามาพร้อมกันกับสามีมาสารภาพได้ผลหลวงพ่อได้ผลเขาก็พออุกค์ขอใจ โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมานั่งปฏิบัติธรรมก็ได้บางทีมันติดกันได้นะพัญญามาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเย็นไปอยู่กับสายเมีสาเมียกลายเป็นคนเย็นไปด้วยเย็นแล้วไม่พอก็เย็นไปถึงลูกถึงหลานไปอีกนะมันติดกันบุญเนี่ยบุญมันติดกันบาปมันก็ติดกันนะเราจึงสร้างตัวนี้เป็นหลักเอาไว้เพราะชีวิตเราอนะอยู่ในโลกไม่ใช่เราอยู่คนเดียว อยู่กับเพื่อนร่วมงานอยู่กับการทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่กับละอองฝนอยู่กับเหลือบจูมริดไหลอยู่กับทะถนนโขขะน้าฝนอะไรต่างๆเยอะแยะเราไม่มีความรู้สึกตัวสิ่งทั้งน้ายทั้งหลายจะไม่มีปัญหาชีวิตเราเรียบไปเลยเวลาท่านเียาว่าตื่นแต่ดึกสึกแต่นุ่มตื่นแต่ดึกสึกแต่นุ่มอย่ารอให้เท่าให้แจ่มันจะไม่มีค่าเลยชีวิตเรา ต้องมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจแล้วมันก็มีสูตรจริงๆกายเนี่ยกา ย, ยานุปัสสนามีสติเห็นกายนะทุกคนก็มีกายมีมือขาสองแขนสองถ้าคนทมเอาเมื่อวางไว้บนเข่าก็รู้กันทุกคนความรู้สึกตัวนี่ไม่ต้องไปถามหนูรู้หรือเปล่าพบรู้หรือเปล่าฉันรู้หรือเปล่าไม่มีคำถามถตาคุณหลงคณก็รู้ เ, เอง แล้วควารู้สึกตัวคมหลงของคุณมันก็หมดไปเองคุณก็ทําเป็นแล้วคุณก็สร้างเป็นแล้วลู่อีกลู่อีกลู่อีกแล้วคนอยู่กับความรู้สึกตัวหนึ่งวันสองวันแล้วคุณอยู่กับความรู้สึกตัวหนึ่งวันสามวันวสี่ ว, วันหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดหนึ่งปีเจ็ดปีเกิดนในสงหนอดเป็นพระอริยบุคคลได้ถึงกับเป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าพระอรหันต์ก็คือผู้มีสติ เป็นหน้ารอบไม่ใช่หอเหินเดินผ้าผู้มีสติเป็นหน้ารอบเหมือนพระเขียนัศกผู้มีสติเป็นวิ น, นัยพระเขียนัศกก็คือพระรหัสนั่นแหละมีสติเป็นหน้ารอบการเจริญสติเท่านี้มันไม่ใช่เท่านี้นะมันไม่ใช่เท่านี้การเจริญสติอย่างเดียวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอย่างที่พูดให้ฟังเรามีสติ รู้หนึ่งวันรู้สึกตัวสองวันรู้สึกตัวรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่จิตใจกายานุปัชนาสติปัฏฐานมีสติอยู่กับกายไม่สติอยู่กับกายเวลาใดมันหลงเอ้ามันมีความรู้แล้วบวะเนี่ยมันไม่มันไม่ชอบทำคุณชอบทำมันมีอยู่กับความรู้สึกตัวเขาก็เอาความรู้สึกตัวเข้าข้างความรู้สึกตัวบุคคลที่ฝึกตนเองที่เคยแล้วถ้าบุคคลที่ไม่เคยฝึกอะไรยื่นมาก็เอาหมด อยู่กับความหลงสองชั่วโมงสามชั่วโมงอยู่กับความทุกข์้ามวันข้ามคืนอยู่กับความโกรธข้ามวันข้ามคืนก็มีเพราะเขาไม่เคยมีความรู้สึกตัวถ้าคนที่เคยฝึกสติไมีความรู้สึกตัวแล้วเขาจะกลับมาทันทีเขาจะกลับมาทันทีเพราะความหลงไม่เป็นธรรมความรู้สึกตัวเป็นธรรมความโกรธไม่เป็นธรรมความรู้สึกตัวเป็นธรรม ความทุกข์ไม่เป็นธรรมความรู้สึกตัวเป็นต่ําเพราะเขาเคยแล้วเขาเคยเดินเขาเคยมีแล้วเหมือนคนมีบ้านมีที่อยู่อาศัยเวลาฝนตกเขาก็เข้าบ้านเขาเวลาแดดออกเขาก็เข้าบ้านเขาไม่เหมือนพวกเกลียนทานไม่เหมือนพวกสูตรเป็นคนชั้นต่ําที่ประเทศอินเดียเขาไม่มีบ้านฝนตกก็อยู่อย่างนั้นแดดออกก็อยู่อย่างนั้นนอนก็อยู่อย่างนั้น แต่เข้าไปเพิ่งบ้านเขาไม่ได้เขาไม่ให้เข้าบ้านเขาไม่วัณ น, นะเขาร่มอาศัยร่มเงาบ้านเขาก็ไม่ได้เขาเออกค้อนอิดข่วงหนีไปเลยต้องไปนั่งอยู่บนฟุตบาทถนนเขาไม่มีบ้านชีวิตของเราเนา่ยก็เหมือนกันบางคนเนี่ยไม่มีบ้านทางจิดบ้านของกิดคือปกติฝึกจนปกติในบ้านน่ยไม่ไปละวะ ปกติเข้าบ้านเข้าบ้านลูกสิบตัวเนี่ยเป็บ้านหลงเวไลาอะไรก็พัดบ้านโกรธว่าอะไรก็พัดบ้านเข้าบ้านอันนี้นะเรียกว่าหลักเรียกว่าที่พึ่งเราจึงว่าพุทธทงังแสดงคาฉาไหมธรรมัามางแสดงคาฉาไหมสังขังสแสังคาฉาไหมข้าพาเจ้าพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมสังฆาพาเจ้าจงพ้นจากทุกทุงปลงได้พุทธภาวะความเป็นพุทธะ ความเป็นพุท ธ, ธสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นพุท ธ, ธก็คือความรู้สึกตัวในเองพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าก็เจริญสติสร้างสติเหมือนกับเราเอากายมาสร้างพระองค์จึงตัดไปอย่างมั่นคงหวังเอกะมควิสุทธิยาสติปัฏฐานหมายเลขนั่งเป็นทางอันดับหนึ่งเอกเอกคือหนึ่งมคโคคือทาง วิสุทธิ์ไปสู่ความบริสุทธิ์ของชีวิตจิตใจของเราการเจริญสตินี่อย่าให้ขาดแขนพวกเราถ้าขาดแขนความรู้สึกตัวขาดแขนทมแล้วชีวิตจะไม่มีค่าอะไรเกิดโกรธจนตายทุกข์จนตายหลงจนตายไม่ค่าอะไรสาหรับพวกเราจะต้องโกรธจนตายหรือจะต้องทุกข์จนตายจะต้องหลงจนตายแล้วมันมีมันมีประโยชน์อะไร ความหลงไม่ประโยชน์อะไรความทุกข์มีประโยชน์อะไรโกรธมีประโยชน์อะไรความเวตกเศ้ามองไม่ประโยชน์อะไรแค่นี้มันไม่ใช่ขี่ช่างขี่มามาเพียงแต่รู้สึกตัวมันก็หายไปแล้วทำไมจึงให้มันคองเราเคยถามความหลงกับความรู้วันหนึ่งเราอยู่กับความหลงหรือว่าอยู่กับความรู้กันถ้าอยู่กับความหลงก็ไม่ปลอดภัยแล้วเราจึงมาสร้างความรู้สึกตัวให้เป็น นิสัยเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยมาทางนี้มาทางนี้ถ้าไม่สร้างเป็นไปไม่ได้คุณจะมาจำเอาไม่ได้ทําให้อุปการะมากสองอย่างหนึ่งสติความระลึกได้สองสมบัติยะความรู้ตัวคุณจะจำเอาแบบนั้นแล้วไปตอกไปเขียนในข้อเขียนในกระดาษมันเป็นภาษานกแก้วนกขนทองมันไม่มีประโยชน์คุณต้องมาจุ่มเอาปฏิบัติคือจุ่มเอา เอากายไปจุม่มเอาไปตอ่อเอากับความรู้สึกตัวเอาใจไปตอ่อเอากับความรู้สึกตัวอะไรที่เป็นเรื่องอะไรก็ตามรู้สึกตัวหัดจนเป็นเนื้อใสเคยขินมันหลงเท่าไหก็รู้มันหลงเท่าไหร่ก็รู้อะไรก็ตามรู้สึกตัวเออมันมีแล้วนะมันไม่เอาอันอื่นหรอกอันอื่นไม่เป็นธรรมเนาความรู้สึกตัวนี่แล้วความรู้สึกตัวเหมือนมารดาพระพุทธเจ้าจาังหวะอุปการละ อุปการละมากเหมือนกับพ่อกับแม่เป็ น, นคุณธรรมคุณธรรมเน่ความรู้สึกตัวเหมือนพ่อเหมือนแม่อุปการละคุณพ่อแม่เลยก็ไม่มีแล้วหลังอย่างหลวงตานะไม่มีพ่อแล้วไม่มีแม่แล้วยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่เคย อ, อยู่กับเราตลอดเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนกับรักษาเรา เอาไปมาทำรักษามันหลงไม่ได้มันรู้ศีลก็ช่วยสมาธิก็ช่วยปัญญาก็ช่วยเดี๋ยวนี้มีอะไรช่วยเราไหมคนอื่นช่วยเราเพื่อนช่วยเราพ่อแม่ช่วยเราพึ่งอะไรกันเอาชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้ตรงไห น, นบางคนเอาชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับความรักความรักก็เกิดอกหักเสียอกเสียใจ เกิดปัญหาต่างๆเต็มบ้านเต็มเมืองต้องพึ่งตนเองอย่าไปห้อยไปแขนไปต้องพึ่งตนเองถ้าพึ่งตนเองได้แล้วคนอื่นก็พึ่งได้ถ้าช่วยคนเองได้เป็นแล้วก็ช่วยคนอื่นเป็นถ้าดูแลตัวเองคุ้มไม่ปล่อยไปแะละ้วเลยไม่ปล่อยให้เป็นหมกหมุ่นคนเชื่อะไรเป็นระเบียบแล้วก็คนอื่นก็เป็นระเบียบไปด้วยทําตัวเราอย่างเดียว ทุกคนมาทำหน้าที่ของเรามามีสติมารู้สึกตัวปฏิบัติธรรมก็คือว่าดูแลชีวิตของเราในแหละชีวิตของเราก็มีไม่มากมีกายกับใจแค่นี้นะแค่กายกับใจเราจะว่าไม่ใช่วิธีดูแลก็คือมีสติไม่ใช่จะมาลูบเอาคําต่างหน้าทาแป้งดูแลรักษาลูบๆคำคำเลื่อยเลือกเลื่ยุงู่อันนั้นก็ไม่ใช่ ใช่อยู่แต่ ว, ว่ามันไม่ใช่ต้องมามีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะคือการดูแลตัวเรารู้สึกตัวคือการดูแลเวลาใดที่มันลงไปทางอื่นรู้สึกตัวเนะี่ยคือการดูแลปลอดภัยแล้วไม่มีภัยปฏิบัติทำ ม, มาดูแลตัวเองรักษาตัวเองอย่าให้มันเกิดโทษเกิดภัยมันลงลก็รู้สึกตัวรนะักษาไปแล้วมันโกรธก็รู้สึกตัว บรทุกก็รู้เสียตัวเลยว่ารักษาตัวเองคุ้มแล้วคุ้มแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วจนไม่มีภัยชีวิตไม่มีภัยท่านเรียกว่าพระอริยเจา้าอริยะคือผู้ไม่มีภัยอยาลีเป็ว่าฆาดสิจยะแปลว่าไปจากฆาดสกไม่มีฆาดสึกชีวิตที่ไม่มีฆาดสึิ จะอยู่กี่ปีกี่ปีก็ไม่มีค่าศึกถ้าเราไม่ศึกษามันจะมีแต่ค่าศึกกัางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดเวลานอนก็หาเรื่องวาคิดนอนไม่รับค่าศึกของจิตใจมีเงินมีทองมีข้าวมีของไม่บ้านไม่ช่องก็ยังนอนไม่รับบางทีเขาทำในทานลอลคนในหมากับเจ้าของบ้านหมานอนปั๊บหลับปั๊บเจ้าของบ้านนอนไม่รับ คิดไปโหนคิดไปนี่ไปเขาทําในฐานโลกคนเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยชีวิตเรามันก็เป็นโทษตัวเรามากๆทีเดียวกินไม่ได้นอนไม่หลับเศรษฐีเงินมีเงินมีทองเป็นโลคขาดอาหารก็ลเะออมันมีปัญหาลแล้วแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ที่ไหนมันก็คขึ้นกายที่ใจของเราสุกสนตัวเองสุกสน เวลานอนหาเรื่องมาคิดเวลากินก็หาเรื่องมาคิดขณะที่กินอาหารทานอาหารเอาความคิดนันคิดนี้มันก็กินความคิดกินอารมณ์กินเข้าไปได้อาหารที่กินลงไปทานลงไปอาหารดีๆมันก็ไม่หอยท่องผูกไม่ขับไม่ถ่ายแต่นี่นะตอนเรามาเถอะมาปฏิบัติธรรมมาฝึกหัดชีวิตจิตใจของเรา เรามาทำประโยชน์ให้เราไม่พอประโยชน์ของเสียงอื่นก็ไม่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาช่วยกันโดยพราพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นผู้ที่ทำงานกับผู้กับคนทุกวี่ทุกวัดงานของเราที่ทำเป็นงานที่เกิดบุญเกิดกุศล เราเพิ่มบุญเพิ่มกุศส่เพิ่มคุ ณ, คณธรรมเข้าไปพูดกับผู้กับคนสักคำเพิ่มบุญเข้าไปเพิ่มเมตตาเข้าไปเพิ่มความอดทนเข้าไปเพิ่มความเพียรเข้าไปเพิ่มสติเข้าไปจากที่เราคนเดียวเพียงเอามือไปจับมือคนป่วยพูดออกไปสักคำบางทีคนป่วยอาจจะหายดูหน้าตาหมอดูหน้าตาพยาบาล โอ้คนป่วยหายแล้วปิยามารยาตเรียบรนาะหายแล้วหายแล้วคนป่วยมันเป็นบุญทําให้คนทุกข์หายทุกข์ทให้คนป่วยหายป่วยมันเป็นบุญมันเป็นกุศลที่สุดเลยรักษาคนเป็นโรคภครไข้เจ็บให้หายจากโรคภครไครเจ็บงานบุญไม่ใช่งานที่มันเป็นทุกข์เพิ่มคุณธรรมเข้าไปได้บุญทุกวันทําความดีทุกวันได้ปัญญาทุกวัน ภูมใจทุกวั น, นะ ไ, ดวนได้ช่วยน้นได้ช่วยนี่ไม่เอาเปรียบใครแล้วก็มีชีวิตเป็นหลักของชีวิตเป็นงานที่มีชีวิตมาตรฐานไปอีกกันหนึ่งไม่เตรียมใจไม่ฝึกฝนตนเองเกี่ยวป็นทุกข์สิ่งที่เราพบเห็นเมืเ่อเเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆ ต, ต่างคนต่างคูรู้คู่จอบางทีเราทางานหนักหนั ก, นกมันจะตะหวาดคนอื่นมันจะทุกข์ การทำงานมากๆมันอาจจะทุกข์อาจจะกิตใจอาจจะไม่ปกติจึงมีฝึกก็ไว้ฝึกก็ไว้มันจะเข้มแข็งอ่อนแอตรงไหนมันจะเข้มแข็งถ้าเราฝึกดีๆจุดอ่อนอยู่ตรงไหนมันจะเข้มแข็งหลงตรงไหนมันจะลูกจะทุกข์ตรงไหนมันจะลุกน่ะวิธีที่เราสร้างเนี่ยมันก็มันก็มีเท่านี้ไม่ต้องอธิบาย เพียงแต่เราเอามือมาวางไว้บนเข่าพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวยกมือขึ้นรู้สึกตัววางมือลงรู้สึกตัวเวลาใดที่มันง่วงเนห้อหอนอนก็ทำผมรู้สึกตัวหลงไปลึกๆมองใบหน้าวางใบหน้าให้สดชื่นพอดสายตาในท้องฟ้าไม่มีขอบเขตมองโลกกว้างไกล ย, ย่าคับแคบห่อเหี่ยว มองโลกมองงงตั้งหน้าบางใบหน้าตั้งกายยืดกายขึ้น อ, องค์อาจหน้าอกต้นคอใบหน้าเอีวลู่สึกตัวลูกองคอาจมาลู่สุดตัวเนี่ยฝึกฝึกฝึกผลตนเองอ่ะก็พวกเราก็ไม่ใช่บอกแต่ปากก็พากาันทําพากาันทํำอาจารย์สงสินอาจารย์อาราเทพอาจารย์ต้มอาจารย์นอนเพื่อนทำงา น, นาทุกปฏิบัติกันทำงานทะี่ไหน หลวพ่อก็เคยปฏิบัติมาคิดว่าจะไม่พาหลงทิศหลงทางแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดการเจริญสตินะแน่นอนที่สุดผู้มีสติเอ้าไม่เป็นหนุ่มไม่เป็นสาวผู้มีสติไม่เป็นชาติชัน้นวรรณะผู้มีสติไม่เป็นคนแก่ผู้มีสติไม่เป็นนักบ ว, าวาชครว่าจะเป็นอันเดียวกันหลงรู้สตัวไม่เป็น ชาตไม่เป็นลัฐที่ในการตอนมีสติเป็นอันเดียวกันเลยเป็นอันเดียวกันเลยเคยไปสอนกหลังเคยไปสอนต่างประเทศเอไปสอนก็เพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์ก็ไปสอนสิงคโปร์มีคนจีนมีคนแฉกขนยกมือรู้สึกตัวคุคคลจะเป็นลัที่อะไรก็ไม่เกี่ยวเมื่อเวลานานมานี้่ามีเขามาทอดพระปาผู้หลงขอให้หลวงพ่อประเทศที่ผู้หลง คนหนึ่งเขาพอฟังเทศหลวงพ่อแล้วเขามาหาหลวงพ่อเพราะว่าผมเป็นเฮตอิสลามผมเป็นอิสลามหลวงพ่อเขายกมาไหว้หลวงพ่อไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรหรืลวงพ่อบอกว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแจ็เจ็บตายด้วยกันหลวงพ่อมองชีวิตจริงๆเลยไม่ใช่ว่านั้นเป็นคิดนั่นเป็นพุทธนั่นเป็นอิสลามนั่นเป็นฮินดูหลวงพ่อมองมเดียวกันคือความเมตตาตัวหนะความปรารถนาดีต่อกัน ไม่ใช่เหรอนี่พุทธเราเป็นเพื่อนเราเนี่คิดอิสลามไม่ใช่เอามายกมือไหว้หลวงพ่อผมเป็นอิสลามหลวงพ่อผมเป็นอิสลามครับผมฟังเทศหลวงพ่อ้โอ้ดีดนี่ความรู้สึกตัวนะไม่เป็นอะไรเป็นความรู้สึกตัวผู้ใดมีความรู้สึกตัวผู้นั่นก็เป็นผู้มีความรู้สึกอันเดียวกันความรู้สึกตัวอยู่กับพระสงฆ์ความรู้สึกตัวอยู่กับพระวาสญาโยมคนหน่มคนเจรอันเดียวนี่เรียกว่าความเป็นหนึง่ง